เพราะจะดีใจกับความคิดอันนั้นนะเปลื้มใจเกิด ไม่จะทนนี่อุทธัจังกันมันก็เลื่อนไปลอยมาก็ไม่เกิดสมณัสใครเอ่อ <c oughs> ความโม่งเนี่ยครับความโม่งเนี่ยมันก็ลักษณะถอยที่ไม่มีลักษณะมุ่งทําร้ายก็ไม่เป็นเอ่อสิ่งที่อยู่ในขอบ ความคิดร้ายเนี่ยทำให้เกิดความไม่สบายใจอย่างแท้จริงมีคิดร้ายไอ้จริงคือตัวนี้ไอ้ตัวเองก็คิดในทาง <c oughs> พอรู้เรื่องแล้วฮู้จบไปมันก็ดูจะ เป็นว่าถ้าใครเข้าใจในฝอยรายละเอียดที่ผมว่าในเบื้องต้นเอาไว้นั่นล่ะครับเป็นสิ่งเดียว วันที่ 5 กันยายน 2536 ยังท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพระธรรมในวัน แต่ว่าท่านผู้ใดที่เพิ่งมาเริ่ม ในส่วนหยาบนั้นก็พูดกันเข้าใจได้กันโดยทั่วไปเป็นอย่างดีและใน อยู่ในขอบเขตที่ได้พูดว่าอ่าโมหะมูลจิตนั้นมีสภาพกับอกุศลจิต 10 ดวงที่ คือโลภะมูลจิต 8 โทสะมูลจิต 2 นั้นอ่าตอนท้ายของจิตถ้าดู และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสังฆาลิกคือเกิดขึ้นได้ด้วยอํานาจของ สืบไปว่าโลภะอ่าท่านโทษโมหะวิจิกิจฉา 2 ว่าโมหะวิจิกิจฉาอสังขาริกอันหนึ่งในโมหะอุตตจาก็เหมือนกันท่านก็ไม่แบ่งเป็น 2 เป็นอสังขาริกคู่กับ ค่อนข้างจะลึกลงไปที่เราจะต้อง 14 ที่แจกเมื่อ 3 ประเด็น 3 ความจริงว่าเหตุที่จิตไม 2 ไม่ <Pie> oh 2 ไมอย่างเอ่อ ก็แบ่งเป็นสังขารกับอสังขารดังกล่าวนั่นแหละสังขารที่แปลว่าปรุงแต่งเนี่ยครับปรุงแต่งคือปรุงเอ่อการใช้คําว่าสังขารในทางพระพุทธศาสนาที่ต้องเข้าใจตรงนี้ ทำเหตุเอ่อทําผลของตนให้เกิดที่คือธรรมที่ถูกสังขารบูงแต่งสังขารเป็นเหตุสังขตธรรมนั้นเป็นมากบ้างน้อยบ้างดีบ้างเลวบ้างต่าง สภาวะธรรมนั้นจึงเกิดขึ้นได้คือว่าจิตทุกดวงมันเอ่อมันจะมีคือต้องมี ไม่มีเลยเลยยกตัวอย่างเช่นว่าความโกรธก็มีเหตุที่ทําให้ความโกรธนั้นเกิด แต่ว่าในกรณีที่เกี่ยวกับสังขาริกอสังขาริกนั้นไม่ใช่สังขารในแง่นั้นหมายถึงสังขารที่เป็น ก็เป็นจิตที่เข็มแข็งเป็นตัวนี้ที่เข้มแข็งจิตดวงใดที่ไม่ได้รับปัจจัยเสริมตัวนี้ ให้เกิดในลักษณะเข้มแข็งนะก็เรียก ธรรมทั้งหลายนั้นย่อมเกิดจากเหตุจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นที่เกิดโดยไม่มีเหตุไม่มี ปัจจัยที่บรุงแต่งทําให้เนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้เพราะเหตุไร 2 เท่าเป็น 2 คือ 4 เนี่ยคือเรา 4 เพราะ คุณตัจฉา 2 โมหะวิจิกิจฉาอีก 2 โดยหลักของสังขาริกและอสังขาริกแล้วไม่ ถึงฐานะหรือไม่ควรเรียกว่าเป็นสะสังฆาริกหรือ 1 เพราะเป็นจิต 1 คือโมหะมูลและ เหตุผลประการที่ 1 เหอันนี้เหตุผลประการที่ สามตัวสามส่วนตัว 30 ส่วน 1 คือตัวมูลคือมูลมันน้อยไป ทำให้จิตนั้นมีความเข้มแข็งหรือมีภาวะที่พร้อมจะได้รับการกระตุ้นทำ เมื่อเป็นสภาพที่อ่อนก็ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอ่อนแล้วก็น่าจะจัดเป็นสังฆาริกเพราะมีกําลังนะทําไมถึงไม่ยอมจัดไม่ยอมเมื่อไม่ก็น่าจะเรียกเป็นอสังฆาริกเมื่อไม่เรียกว่าเป็นอสังฆาริกก็น่าจะเรียกเป็นสังฆาริก แต่ว่าตรงนี้น่ะมีไอ้กลไกภายในหรือร่างกายให้ เป็นหรือไปเป็นนักมวยยกนำนานะหรือไปเป็นนักมวย บางคนก็พัฒนาได้แต่อันนี้เรายกใน ควรแก่การที่จะหรือนักยกน้ําหนักนะจะ นั้นสภาพตัวนี้นั้นจึงกล่าวว่าเป็นจิตที่ไม่มีความแก่คร่าโดยสภาพ ในภาษาธรรมะพื้นพื้นว่าหลงอำนาจหน้าที่หลงรูปหลงทรัพย์สมบัติหลงโลก ไม่รู้อะไรอย่างเลื่อนลอยนะฮะซึ่งเรื่อยๆไปๆนี่คือตัวสภาพ โดยสภาวะเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามานึกถึงในแง่ของมันเป็นโมหะไม่ต้อง เหล่าเราใครคิดถึงแล้วก็เกิดกามฉันทะนิวรคือความรักใคร่ในสิ่งที่ตัวนึกถึงนั้นจะเป็นคิด ลอยอย่างโทษะนั้นก็จะลอยอย่างมีน้ำๆหลังและหู่พันใน ถามว่ามันไม่ควรแก่การกระตุ้นจริงหรือไม่ตอบว่าจริงเพราะถ้ามี เมื่อใดสภาวะจิตจะหลุดลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายนะฮะ โลภเนี่ยมีเยื่อใหญ่ในอารมณ์ความโกรธก็ พอใจที่เกิดร่วมกับโลภะนะพอใจจะยึดจะ 2 บอกชัด โมหะมุละจิตเพราะเมื่อไม่มีฉันทาในระหว่างโมหะจิตกับอารมณ์เออะไรอย่างคนที่มี อกุศลทุกอย่างมันมีลักษณะไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทีเดียวไม่เหมือนกันยังไงล่ะอย่างเช่นความโลภเนี่ยถึงมัน คันเมื่อให้กินทุกวันทุกวันทุกวันข้าวมันอยากกินอีกมั้ยมันก็ไม่นะเปลี่ยนไปยังไงก็เปลี่ยนไปใน เหมือนคนที่เอ่อโมมาวในทางเพศเขาอาจจะไม่ชอบคนนี้ชอบดูหนัง นั่นถ้าคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตจริงๆหรือว่ามันมี มีลูกมีเพลงใหม่ออกก็ก็ไปดูอีกดูอีกใช่มะก็ไปดูอีกหรือๆก็ไปหาอารมณ์ในสายนี้อีกๆ ไม่ก็ดีจะเป็นวิธีการแสดงความโกรธก็ดีหรือเปลี่ยนหน้าอารมณ์ๆพวกนี้นะมันก็เปลี่ยนหวนไปอย่าง หรือบอกว่าไงเดี๋ยวขอมามาเลื่อนลอยมุมนี้บ้างขอไปเลื่อนลอยไม่มีไม่มีโมหะนี่เป็นอย่างนั้นเพราะ มันจะสัตว์เริ่มเป็นพลังสกิดความยินดีหรือความยินร้ายโมหะได้เปลี่ยนสภาพเป็นโทสะหรือเป็น หันไปทําตาเหลือกตาขวางใสคนที่เค้ามาจะเอ๋ใส่เราหรือบางทีก็มีเสียงแล้วแต่ หรือมันนานเท่าเนี่ยไอ้ความเลื่อนลอยนะทีนี้ก็ถ้าสมมุติว่ามัน ยังงงยังนี้กังวลหน้ากังวลหลังด้วยโลภะด้วยโทสะแล้วก็ต่อการๆจะเป็นบ้าไปอย่างนั้นน่ะเกิดอยู่มาวันหนึ่ง คนรักของตัวเนี่ยซึ่งตัวก็ไม่ได้คาดก่อนว่า 2 อย่างนั้น 1 อยอยเจออีกทีหรือกลับมาจริงๆหรือก็ แต่ก็เมื่อได้เข้ามาไอ้บุคลิกเนี่ยมันก็บอกกลายประโยคะบอกว่า เป็นผลิตทิ้งไปเลยนะนี่ก็เป็นกรณียกตัวอย่างให้เห็นในจิตเป็นกรณีอย่างๆแต่ว่าถึง หมุนเวียนกันทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยตลอดเวลาและเราก็เหมือนกับเราก็จะเห็นเห็น นายอกุศลทั้ง 3 ส่วนนี้ที่ผมได้กล่าวย้ำๆแล้วว่าโมหะนั้นเกิดบ่อยที่สุดเกิดบ่อยที่สุดฉะนั้นบางคนนั้นอาจจะกินเหมือนกินเหมือนกินกากมะพร้าวเอ้ยเหมือนกินกับไอ้ที่กูลกูลแล้วก็จะตั้งอ่าเอาออกหมดแล้ว กลับมาเค้าเรียกกลับมาฟังกินแล้วมันยังไงมันไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะมีรสเป็นอารมณ์หรือมีอะไรเป็นอารมณ์มันคิดมันไปเรื่อยรอบบ้านรอบโลกนี่คืออ่าสภาวะ โดยที่เราไม่ได้คาดคิดหรือคาดคิดไว้ล่วงหน้าไว้ มันก็ไม่ได้ก็แต่เกิดเองอย่างอ่อนแอได้อีเมนมันจึงมีสภาวะที่เรียกว่ามันเกิดเองแต่ เอาโมหะส่วนประกอบที่ 1 เอนะอีกๆนะเรา ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเนี่ยแหละน่าจะเพิ่มบารมีเหมือนกับทําสมาธิการสมาธิในจิตนิ่งๆน่ะเรียก ก็เห็นจะไปไหนขยับไม่ได้เลยขยับมือขยับตัวขยับความคิดๆเราส่อง ไอ้ความสว่างก็เคลื่อนที่ไปยังอารมณ์ที่แผงมันทอดไปถึงแต่ถ้าหากว่าเรานะมันก็คงๆ อันนี้เมื่อกี้มันเคลื่อนมันอยู่นิ่งไม่ได้เพราะอุทธัจจะเลยทําให้สภาวะๆซึ่งแสดงถึงความอ่อนแอแสดงถึงความอ่อนแอ ตรงนี้ก็จะพูดรัดสัดความว่าขณะที่คนสงสัยกับคนศรัทธาเนี่ยไอ้ตัวไหนมันมีพลังตัว เรเราก็ยกพลังให้มหาตมะคันธีนี่ก็ไม่ตรงสภาวะธรรมนะเอ่อจริงๆแล้วน่ะพลังศรัทธานั้นใครได้เราผู้ คนที่เขาได้ศรัทธาจากเราของสัตตานจากเช่นพระพุทธโสธรเนี่ยท่านก็ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเว้นแต่ว่าจะไปพูดถึงอะไรที่ไปสิ่งประดิษฐ์อยู่ที่นั่นมากมายแต่ เออแล้วเกิดพลังขึ้นมาได้ยังไงพลังอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่คนทีนี้คนที่เกิดศรัทธาเกิดพลังขึ้นอย่างไรอันนี้เราก็ไม่ต้องจรณัย หรือคนที่ถูกศรัทธาได้ความเข้าใจผิดหรือเข้าใจผิดแปลว่าเดี๋ยวนี้เค้าหมดศรัทธาไปแล้วเนี่ยถ้าว่าแยกตาม อ่าลาภกาละได้นะความเคารพนับถืออื่นใดทั้งหลายทั้งปวงก็ตามนั่นแล้วเค้าก็ให้สิ่งเหล่านี้อ้าวพูดอย่างนี้แล้วเรา เมื่อพลนนาอย่างนี้นะไอ้คนไม่มีศรัทธาแท้ๆถูกศรัทธาแท้ๆน่ะได้เราคุณศรัทธาแล้วอยู่ได้ เอาสั้นๆที่เป็นความหมายสูงก็คือว่า ว่าคนนี้มีศรัทธาบริสุทธิ์แค่ไหนดีแค่ไหนแรงแค่ไหนคนหนึ่งไม่ศรัทธาเรื่องการรักษาศีล ไม่ไม่ชอบเลยเลยไม่ชอบเลยเข้าใจว่าปฏิบัติตามแล้วบอกอย่างนี้หรืออีกคนนึงศรัทธาคนดีอ้างถึงบุคคลอีกคนนึงไปชอบคนชั่วไอ้ ให้สมบูรณ์ในตั้งอารมณ์ไว้สูงศาสนาเนี่ยจึงเป็นภาระอันหนึ่งที่อย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นเบื้องต้น ความสงสัยสงสัยเราเคยสังเกตการประทำความดีการแสดงออกหรือแม้แต่ๆแล้วเราก็ อ่าไอ้สิ่งที่ทําให้เกิดเพราะการงานๆมีหลายตัวแต่ว่าตัวสําคัญที่ว่าเขา ปฏิบัติธรรมกับอาจารย์คนนี้ต่อไปอีกหรือไม่นี่เป็นคําถามจากเขาว่า นี่ไม่ถูกหรอกหรือว่าอาจารย์คนนี้แต่ก็เกิดภาวะชังหน้าเกิดความลังเลทําท่าจะถอยหลัง เขาเขาก็เลยตั้งปัญหาถามผมผมนั่งนี่คําถามที่ก็ถามผมเข้ามาด้วยเขาก็เลยตั้งปัญหาถามผมเนี่ยเค้าบอกว่าเวลานี้ ลบเพื่อนเขาก็ดีเพื่อนเขาก็เป็นอย่างเขาแต่เวลานี้เค้ามีพวกชวนมาฟังธรรมะก็ที่ผมพูด แล้วผมจะเสียเวลามาเข้าทําไมนี่ผมเนี่ยอืมดูไม่คมเลยอะไรอย่างงี้นะต้องมาเรียนดีจะ 1 เค้า 1 ให้เค้าใช้หรือ จะให้เค้าทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดไปบวชออก หาธรรมะธรรมะช่วยได้จริงๆผมก็ยกตัวอย่างว่ากาลามี 1 หลายๆคนบาง 7 ก็พูดสั้นๆกระทั่ง ทำบุญเปล่าถามว่าทำบุญเปล่าแล้วทำไมต้องทำบุญเราพูดเข้าใจกันได้ครับแม้จะ เออเข้าไม่มีแล้วทําไมถึงต้องโปรดความยึดติดโปรด เราจะไปเคลียวแนะนําคนทุกคนไม่ได้แล้วจะต้องออกเนกขัมมะก็จะต้องปล่อยและออกออกไปเลยซึ่งอันนี้แหละเราจะ แล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ความประพฤติธรรมเขียนว่าเราก็ลูกนะแล้วก็แบ่งสมบัติให้แล้วจะเอา ยิ่งปล่อยเนี่ยวัดนี่นั่นปล่อยปล่อยเนี่ยถือว่าทําบุญเริ่มมีเร 8 ถือ 10 หรืออะไรก็ตามนะก็โดยไม่ต้อง นะหรือถ้าไม่รอเวลาก็แหมมันมันห่าวหารคือทำมาหากินไปยืนอยู่ เอ่ออย่างเช่นอันนี้เราอาจจะไม่ต้องบวชแล้วอย่างคนมาถ้าเขาไม่เคยมาศึกษาตามปฏิบัติธรรมเนี่ยเขายังไม่เข้าใจ จากผู้ที่เขามีเงินมีทรัพย์แล้วเข้ามาสนใจปฏิบัติธรรม ปื้ดปันปัญญาหารที่มันดีกว่านั้นและความสุขไม่งั้นเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าความสุขเขา ก็คือเค้าพูดแค่ความสุขในทางนี่มันหมดแค่นั้นแล้วธรรมะไม่จําเป็นแล้วๆจากเนี่ยมัน เช่นมาก็เกิดศรัทธาสืบเนื่องต่อไปงั้นถามว่าที่นั่งๆอยู่นี่ศรัทธา คู่ชะงักจะเถียงว่าเอาก็คนที่เรา จัดได้ผมมีความเลวอะไรขึ้นมาที่ไม่ควรจะเชื่อถือกันต่อไป แล้วจะมองออกแล้วก็อาศัยปัญญาเข้า หรือมันน่าจะเกิดเองเท่านั้นหรือควรจะเป็น 2 อย่างอันนี้เราเรานึกในแง่กฎจริงๆแล้วก็ลองมาทบทวนขัดค้านหลักการท่านดูนะฮะเป็นวิธีการศึกษา เราเคยมีสภาพอย่างนี้เคยมีสภาพอย่างนี้งั้นกรณีนี่คําถามและถ้าไม่ใช่เพราะอะไร ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นเป็นแบบเอกเทศเป็นกิเลสคือมันเหมือนกับคนใจลอยอ่ะยิ่งเอกเทศมาก ที่เราเรียกว่าวิเวกเนี่ยมันมีประโยชน์และมีโทษสําหรับบัณฑิต เป็นประโยชน์แก่โมหะอุทัจจะนามว่าอุทัจจะเราขอให้นึกว่าเอาๆก็คือไม่มีอารมณ์ที่ตั้งของความยินดียินร้ายเหมือนอย่าง อะไรก็ตามนะก็ตามนะฮะบางคนก็เอ่ออย่าชอบใจหรือเอ่อนําความไม่ชอบใจที่เข้าเนี่ยนี่ อารมณ์มันหลุดแล้วก็ท่านก็จะบอกว่าอารมณ์ดีไม่ดีเข้ามาต่างๆเนี่ยหรอพระใจมันก็เป็นสติสัมปชัญญะดีใช่ๆก็ปุ้ง ว่าดิจริงแล้วคนกันเท่าไหร่เห็นมั้ยก็อย่างที่เราไปบางที่มีตอของนะจะไปไหนมาไหนแล้วก็บาง <mus nah> ไพ่ระเบียบเหล่านี้มันอย่างวัตถุประสงค์อย่างอะไรต่างๆอย่างเราเองก็ยอมรับเกิดมันอ่าบุพเพเจตนาประญาแต่ลองคนติดคุกสิครับมีลูกการมี เวลาน้ำท่วมลงมาต้องห้อยอย่างกลิงเนี่ยนอนปล่อยแล้วพอเมื่อยก็ลงนะครับ อนิฏฐารมณ์ก็อยู่จนชินนะตบู่ถึงชินแล้วอิทธารมณ์ก็ไม่มีคือความสงสัยนั้นจะเกิดเอกเทศและเราสังเกตได้ว่าเอาเรื่องนี้น่ะท่าน มีกิจฉาจะเข้าครอบนําเมื่อบุคคลนั้นอยู่อย่างเอกเทศอย่างเอกเทศคือเลื่อนลอยแล้วแทนนั้นเป็นความ พลั้งทำลายศรัทธาของตัวอ่าเรา โดยๆที่จะพึงนึกถึงเนี่ยมันทั้งทางตาทางหูแล้วก็ทางมโนมันหลุดเราจะพบว่า ทำแล้วเราชั่วจริงๆหรือกินมาแล้วแต่จะคิดน่ะไอ้ในขณะที่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยใน แต่ถ้าปัญญาไม่เกิดวิจิกิจฉาเกิดเนี่ยมันจะกลั่นกัดความมีพลังของเราให้ให้ๆนะ คนที่สงสัยเนี่ยไม่มีลักษณะของความผูกติดอันนี้อย่าลืม คุณธรรมไปด้วยกันย้ําอีกทีที่ไอ้คุณธรรมตัวนี้ทําจริงๆหรอก ในตัวความคิดนะอย่าไปเอาในขณะนั้นไม่มีหลังจากแต่ว่ามันก็คิดเลยไปอย่างนั้นเองเข้า ไม่ว่าจะสงสัยเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องคิดแล้วมันไม่เอาซึ่งไอ้ตรง บางมีค่ามากไอ้ควรแก่การจะไปถามสงสัยของเรามีค่ามากนะครับปีแล้วมันยังมีเศษกระดาษปล่อยๆแซก แม้ว่าจะสงสัยนี่ไม่คนก็โง่ก็สงสัยอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีความฉลาดมีข้อ หรือตัวเองรู้ว่ามีภูมิปัญญาจะวิเคราะห์เรื่อง สิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ทําให้ฝ่ายลบนะฮะข้อกรณีในแง่